บ o ๊กทูสี่สบการสอบถามทางขอโทษครับช่วยผมทีได้ไหมครับ แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมครับคดีอัตตินิอาคาโด布拉รีสตูร์เรเซเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับนารูห a ซั้ o เน e ตเเตโดเลวา a ่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับตคูเอ่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรครับอัป t อมเบียชเต้สตอมเมตรูโดพ คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้คุณขับรถตามผมไปก็ได้ผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับ ข้ามสะพานไปครับลอดอุโมงไปครับขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับ ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไปตั p r ปรย o รงไปในบลิชีคริ y จาวา t k กขอโทษครับผมจะไปสนามบินได้อย่างไรครับพร้อ o อินเต็ e เซอร์จะต้องการนัถทีวิธีที่ดีที่สุดคือไปโดยรถไฟใต้ดินเนย์เล็บชีบูเดกริชพอ i e เด e ตเมทร ออกที่สถานีสุดท้ายเยจเตนนะกากอนชโนวกรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด